ก็เป็นนั้นว่าเราทุกคนได้เข้าสู่ที่ปฏิบัติกันเรียบร้อยแล้วนะก็ตามสภาพด้วยอนุโมทนาที่มีจิตศรัทธาที่เข้ามาฝึกฝนตนเองแล้วก็ในวัดของเราหรือในสำนักของเรานี่เป็นสถานที่ฝึกฝนภาวนา โดยที่ตรงนี้เขาเล่าความเป็นมานิดหน่อยว่าเมื่อก่อนเป็นสถานที่ที่ป่าไม้กันไว้ให้ประมาณ15ไร่โดยที่การประกาศเขตป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ามาถึงหัวเขานีโพอดีแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพระกรรมฐานสายต่างๆบนเขาตรงนี้มีท้ำหลายหลายสิบแห่งที่ใช้ได้ ทีนตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาที่คนรู้จักกันว่าถ้ำบัวแดงซึ่งอยู่ด้านของเขาด้านนูน้นอันนี้เป็นท้ายเขาก็พระเกจิอาจารย์ต่างๆที่มาบำเพ็ญก็ได้สภาวะธรรมไปเป็นที่เรื่องดือว่าถ้าคนไหนบำเพ็ญที่บ่ถ้ำบัวแดงเนี่ยจะได้สภาวะธรรมกลับไปคนก็รู้จักในนามถ้ำบัวแดงเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านก็จะช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้กับพระเกจิอาจารย์ทั้งหลาย ไม่กล้าเข้าไปลวงล้ำกัมเกิดอะไรที่ต่อมาเมื่ อ, อทางการประกาศเป็นป่าอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็มีการยมูลพระลงนะการิมูลพระล ง, นะลพะลงเพราะพระยุคหลังๆนี่ก็ไม่ได้เข้าไปบำเพ็ญโดยตรงไปแสวงหาของอไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรต่างๆก็ทำให้เกิดเป็นที่แสวงหาลาบ สการะของพระมิฉาชีพก็ว่าได้นะมันให้ป่าของเขาลรลุงหลังไปด้วยของขยะต่างๆที่ญาติโยมหลงเชื่อแล้วก็นําเอาของวัตถุปัจจัยทยธรรมต่างๆไปถวายเสร็จแล้วก็ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดอยู่ในตามซอกเขาซอกธรรมทําให้ป่ า, ขาเขาเสียความบริสุทธิ์พวกเจ้าหน้าที่นุลักษ์พวกป่าไม้เขาก็เลยนิมนต์พระลง ที่พระเหล่านี้ก็ไม่มีที่ไปเขาก็เลยกันที่ตรงนี้ให้ประมาณ15ไร่ให้พระกลุ่มนั้นลงมาสร้างวัดที่นี่ร่วมกันก็หลังจากที่พระกลุ่มนั้นลงมาสร้างวัดร่วมกันแล้วก็ปรากฏว่าพระเองก็ทะเลาะกันไม่ค่อยราบรื่นเรื่องแสวงลาบสการะกันนี่แหละต่างคนก็ต่างอยากจะมีลาบสการะมากอยากโยมของกลุ่มนั้นแต่ละพระแต่ละลูกก็มีญาติโยมเป็นกลุ่มของตัวเองเข้ามา พระก็เลยทะเลาะกันก็อยู่กันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปเหลืออุสุทายที่เข้มแข็งกว่าเพื่อนย่งยมก็ไล่ออกไปอีกก็เลยในที่สุดวัดก็มีหลวงตากับไมชีแก่แก่รักษาไว้ได้สัก3ามปีได้นี่ในช่วงนั้นพ อ, อมาประมาณปี4ประมาณปี 4-6 สีสีนี่เองนะก็ได้พาพระตามบุติมาอยู่ที่ทำที่แพร่แสงเทียนจังหวัดแพร่ะนะทำสานักที่นั่น ได้ทังสิบกว่าปีแล้วที่พาพระจาริกทุดดงไปทุกปีแต่มาปีนั้นก็จาริกทุดดงมาที่ว่าจะมาทำหัวแดงนี่แหละก็ทางพร ะ, จะเจ้าอาวาสที่นั่นก็บอกว่าที่ทำหัวแดงเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวไม่สงัดแล้วก็เป็นที่ตั้งของป่าไม้ท่านก็เลยคล้ายๆไว้แบบไม่ค่อยเต็มใจให้เราไปไปพักปฏิบัติที่นั่นท่านก็เลยแนบบอกว่า ด้านท้ายเขาเนี่ยมีวัดร้างวัดหนึ่งให้ท่านมาดูก็แล้วกันว่ามีเสนาสนะมีน้ำท่าอาศัยดีว่างงั้นก็พากันเข้ามาเยี่ยมก็ปรากฏว่ามาพบมัชีกับหลวงตาแก่ๆรักษาวัดไว้กับสุนักัว น, นพวกเราก็เลยามาขอพักภาวนาด้วยสักระยะหนึ่ง ที่หลังจากเราปฏิบัติภาวนาแบบเคลื่อนไหวแบบวัฏฏิเยนไประยะหนึ่งโดยเราพวกเราปฏิบัติกันทั้งวันทั้ำวัดสวดมนต์ปฏิบัติกันทั้งวันเมื่อชีกน้องตาที่อยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนว่าท่านไม่ได้ทำเหมือนเราแต่เราก็จัดการบริการอุปถาอุปธรรมท่านอย่างดีนะถวายอาหารดูแลรักษาอุปถาอย่างดีแต่ท่านก็จะรู้สึกละอายใจหรือยังไงนี่แหละท่านก็เลยหนีออกไปสร้างวัดใหม่ไปอยู่วัดข้างนอก ไม่ชีก็หนีไปด้วยก็เลยวัดก็เลยก็เหลือแต่พวกเราอยู่ซึ่งเหมือนกับพวกเรามาเบียดก็ไม่ใช่นะพวกเราก็ดูแลอย่างดีเดี๋ยวไปขออาศัยเมื่อท่านออกไปอย่างนั้นท่านก็ลักษณะที่ว่าท่านทําตามเราไม่ได้ท่านออกไปก็พวกเราก็เลยอยู่ดูแลรักษาต่ออามาก็ให้พระที่ามาด้วยเจแปรูปไปอยู่แทนอามาก็ไปตามสาขาต่างๆที่มีอยู่นะ เพราะในวิธีการของโคเทียนที่เัยภูมิเนี่ยมีสาขาเยอะแในกลุ่มของแพทย์แสงเทียนก็มี 7-8 สาขาเนี่ก็ไปจุดที่ต่างๆมีจันตราดระยองเัยภูมิแพร่นะสะกลนคนตรตลอดถึงที่อเมริกาก็เวียนกันไปก็ให้พระอาจารย์สมพงศ์อยู่แทนจนมาถึงบัดนี้ก็4ปีซึ่งระยะ4ปีนี่เราก็ทำอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ปไม้ มีการจำกัดขอบเขตเราจำกัดในการก่อสร้างอะไรต่างเราจะทําอะไรมากก็ไม่ค่อยได้แล้วก็อาศัยสถานที่พื้นที่อนุ่มลอยกันไปในที่สุดเขาก็กันให้เป็นเขตภาวนาเป็นสํานักให้กแกเราส่วนหนึ่งนะให้ปลูกสร้างต่างปกติแต่เราก็ทําอย่างระมัดระวังคือเน้นให้พระปฏิบัติให้มากโดยไม่ให้ไปก่อสร้างอะไรมากนักเพราะมันจะเสียเวลาภาวนาเพอมามาที่นี่เรา ถ้าเราไม่ได้ภูมิธรรมภูมิปัญญาเป็นส่วนตอบแทนเราก็จะไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปที่นี่พระเราก็เลยเร่งปฏิบัติเต็มที่เมื่อปฏิบัติแล้วได้ภูมิธรรมภูมิปัญญาแล้วก็ออกไปปฏิบัติภารกิจข้างนอกแต่คนไหนที่รู้สึกว่าอ่อนแอลงไปก็กลับเข้ามาชา้าเข้ามาปฏิบัติกันใหม่อีกอยู่อย่างนี้ 3-4 ปีเพราะนั้นเสนาสนะล้วก็ค่อนข้างจะขยายชา้าเพราะเราเน้นภาวนา แต่ใเมื่อมีญาติโยมบางกลุ่มบางท่านต้องการเข้ามาภาวนาร่วมด้วยเพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีความสงบวิเวกพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีอัดขัดบ้างด้วยปัจจัยสี่แต่ก็พออยู่ได้เพราะว่ามีาผักหญ้าพอหาได้แล้วก็ที่สะดวกคือน้ําเราพยายามต่อน้ําลงมาจากภูเขาเป็นปปาภูเขานะแล้วก็พระที่มาภาวนาที่นี่ส่วนใหญ่ก็ เรปฏิบัติใครปฏิบัติมันตอนี้เรามีพระอยู่ประมาณ10กว่ารูปนะแล้วก็เป็นมิชีจะหกเจ็ท่านขึ้นไปภาวนาที่หน้าธรรมมิจฉีอยู่ข้างบนได้สี่ท่านนะก็มีพระอยู่3าสท่านอยู่ข้างบนแต่อยู่ข้างล่างนี่ก็ประมาณสักเจท่านดังนั้นในการที่มีการรับบุคคลภายนอกเข้ามาภาวนาแล้วก็ขอร้องว่ามาเพื่อภาวนาจริงๆ คือหมายความว่าเราอาจจะไม่มาต้องมาเที่ยวมาเล่นมาอยู่มาสนุกสนานแต่ว่ามาภาวนาคําว่าภาวนาคือทํามาฝึกกายฝึกใจนั่นเองนะถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านก็อาจจะได้ไม่ได้ภาวนาเต็มที่บางคนอาจจะมีการฝึกฝนปฏิบัติวิธีการต่างๆจากวิธีอื่นมาจะเป็นนอเป็นพุโทโธสมาระหังการเคลื่อนไหวยุคหนอ่อคล่องหนอ่ออะไรมา ก็พอมาที่นี่เราก็มาใช้วิธีการของพุทเทียนกิติสุโพเพราะเห็นว่าวิธีการของพุทเทียนกิติสุโพนั้นเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นสะดวกง่ายดายสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่หรือแม้แต่ฝึกเก่าแล้วก็ตามเพราะว่าสามารถนำไปประยุก์ใช้ได้ทันทีเวลาเราฝึกฝนแล้วกลับไปบ้านล้วก็ไปประยุกใช้ทันทีโดยที่ไม่ต้อง าไปนั่งภาวนาเป็นวันเป็นคืนแต่เราสามารถนำไปใช้ได้เลยอันนี้คือความสะดวกในวิธีการของพั้วเทียนแล้วก็หัวใจสาคัญของวิธีการปฏิบัติก็คือความเข้าใจว่ากายเคลื่อนไหวใจตามรู้กายเคลื่อนไหวใจตามรู้อันนี้คือคอนเซปต์หรือแนวความคิดหลักในวิธีการนี้เมื่อกายเคลื่อนไหวใจตามรู้แล้วก็ว่าดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นประมัตดูอริยสัจเห็นนิพพานนี่หลักของเราแล้วในภาคปฏิบัติก็ว่าเอาจิตเป็นอายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้พายนี่ที่หลักของเราที่จะดำเนินการดังนั้นเองในเบื้องต้นนี้เราเริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเบื้องต้นนี้ก็จะให้มีการรับศีลรับศี 5, ลห้ารับศีลแปดดิต้องถามใจด้วยว่ ปรึกษาใจตัวเองจะรับศิน5้าสินแดีนะหลังจากรับสินแล้วก็มีการปฏิบัติกรรมฐานสาธิตปฏิบัติกรรมฐานแล้วในช่วงที่เราภาวนาที่นี่รุ่น 2- อสารุ่นที่แล้วมานั้นก็อากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็เราใช้ตามสมพุ่มพุ่มไม้เป็นที่ภาวนาแต่พวกเราเข้ามาฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นอากาศอาจจะไม่ร้อนเกินไปแต่ว่าภาวนาอาจจะไปตามสมพุ่มพุ่มไม้ ถ้าช่วงฝนตกก็จะลาบากหน่อยถ้าช่วงไหนฝนไม่ตกดินมันหมาดมันแห้งเราก็สามารถปูเสือ่อบริบัต์ตามใต้ต้นไม้ได้ท่านนี้เราอยากจะให้สัมผัสอยู่กับธรรมชาติไม่ค่อยได้อยู่ในศาลาและกุฏิเท่าใดแต่ในเมื่อฝนตกลงมามันชื้นมันแฉก็จําเป็นที่เราจะต้องมาอาศัยศาลาภาวนาร่วมกันนะสำหรับหมายกําหนดการหรือกําหนดการประจําวันก็บอกไปคร่าวๆแล้ว ว, ลว่าเราตกลงกันว่าเราถึงที่สี่ แต่สําหรับพระนินประจําอยู่ที่ก็ตื่นตีสาใครตื่นมาทีสาก็มาภาวนาก่อนแต่ว่าจะตื่นพร้อมกันตีสี่สำหรับผู้ใหม่อาจจะตื่นตีสาไม่ไหวก็นุ่มรวมเป็นตีสี่ตีสี่เราตีละครั้งแล้วตีสี่ครึ่งก็ทำวัดตีห้าเพราะตีหถึงตีห้ครึ่งแล้วก็ภาวนาร่วมกันจากตีห้าครึ่งถึงหกโมงนี่ก็ฟังกรรมฐานอุรมกรรมฐานจากหกโมง ถึงหกโมงครึ่งบางทีก็มีโยคะปฏิบัติโยคะออกกำลังกายก็รับอาหารประมาณใกล้เจ็โมงจาก7ดโมงถึง8ดโมงนี้ก็ทานอาหารเสร็จทำภุระส่วนตัวจาก8โมงไปถึง11โมงล้กาก็ปฏิบัติภาวนาร่วมกันนะร่วมกันโดยจะแยกกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลอันนี้เราก็ดูเหตุการณ์พอ1ิบเโมงเราก็รับอาหารากลางวันร่วมกัน เสร็จประมาณเที่ยงก็พักประมาณสักบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงเราก็ลงมือปฏิบัติตั้งแต่บ่ายโมงจะถึงบ่ายส่โมงครึ่งแล้วก็มีการสอบอารมณ์ตั้งส่โมงครึ่งถึง5้าโมงจาก5้าโมงถึง6กโมงเย็นนี้ก็ไปอาบน้ําทําธุระส่วนตัวพอหกโมงเราก็มารับน้ําปานะเครื่องดื่มบรรเทาความหิวเพราะว่าเราไม่มีอาหารเย็นนะจนถึง6กโมงครึ่งเราก็ลงมือทําวัดเย็นหรือบางที จะมีธรรมะจากเทพจากทีวีจนไปถึงหนึ่งทุ่มบางทีเราไปทําวัดหนึ่งทุ่มบางวันวัดหนึ่งทุ่มถึงหน่งครึ่งจากหนึ่งทครึ่งไปถึงสองทุ่มครึ่งนั่ก็เป็นธรรมะบรรยายการสนทนาธรรมการซักถามบัญหาแล้วการอบรมภาวนาร่วยกันประมาณ2องทุ่มรึ่งแล้วก็พักผ่อนพอไปถึงที่พักที่อยู่หลับนอนเราก็เรียกน้อยแล้วก็ได้นอนประมาณ3ามทุ่ม อันนี้คือรายการประจำวันนะแล้วก็ตกลงว่าเรารับสินแปเนาะอยู่ในป่าสินห้าก็อยู่ในบ้านสินแป็จะอยู่ในป่าจะคุ้มครองหน่อยเอาตกลงอลังการสินแปดรวมกัน